ทีนี้รูปใดที่เป็นรูปอนาคตจากบังเกิดในภพถัดไปสมมุติว่าชาติหน้านะชาติ again, นี้ไม่เป็นพระอรหารก็ต้องมีรูปชาติน่าอีกแล้วใช่ไหมรูปชาติในถัดไปรูปแม้นั้นก็จากสิ้นไปในชาตินั้นนั่นแหละจากไม่ไปสู่ภพนั้นคือจะไม่ไปสู่ภพอื่นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปก็สิ้นอยู่ในชาตินั้นนั่นแหละนะสมมุติถ้าเกิดชาติหน้าไปเป็นมนุษย์รูปชาติที่เป็นมนุษย์ก็สิ้นไปไม่เลยเอาเอาไปภพ เอาพกเอาไปเป็นเทวดาด้วยไหมเอาไปอยู่แล้วใช่ไหมสมมติชาติหน้าเป็นเทวดานะแล้วตายจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างไงสมมติว่าแล้วถามว่าจะมีรูปเทวดาติดห้อยไปในตัวมนุษย์บ้างไหมไม่มีทีนี้รูปปัจจุบันรูปปัจจุบันในทีนี้คือรูปปัจจุบันในชาตินี้นี่แหละรูปแม้นั้นย่อมสิ้นไปในภพนี้นี่นั่นแหละไม่ได้ไปจากภพนี้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นของไม่เที่ยงเพราะอัตตะว่า สิ้นไปเนี่ยนะมันหมดอยู่ในชาตินี้นี่แหละอันนั้นถ้าไปเกิดเป็นเทวดานี้เอาไปด้วยนี้ยุ่งมากเลยเนาะถ้าเอาไปด้วยเอาฟันไปด้วยเนี่ยนะหันนั้ น, น, นโอโเทวดาม ไ, ไปเทวดานี่วิ่งหนีกันเลยเนาะพกอะไรมาด้วยอย่างเงี้ยอันั้นสรุปว่ารูปในอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตรูปปัจจุบันก็สิ้นในปัจจุบันรูปอนาคตก็จะสิ้นไปในอนาคตเนี่ยนะ รูปภายในใดรูปแม้นั้นก็ยังเยอ่อยังเป็นภายในอยู่นั่นเพียวก็สิ้นไปหาถึงความเป็นรูปภายนอกไม่เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นของไม่เที่ยงพระธรรมวสิ้นไปรูปภายในเนี่ยนะมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มอายตนะภายในกับกลุ่มอายตนะภายนอกลองแบ่งไงนะเช่นว่ารูปอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอายตนะภายใน ส, สีเสียงกลิ่นรสโผฏภะทั้งหลายธรรมารมณ์ทั้งหลาย ที่เป็นรูปเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าอิจตน ะ, ะภายนอกทีนี้รูปภายในมันถึงภายนอกไหมไม่ถึ ง, ถงตาก็จะสิ้นไปตามเรื่องของตามไม่ไปถึงสีหรอกอ น, นะหูก็สิ้นไปที่ไปหูนั่นแหละไม่ไม่สิ้นที่เสียงหรอกเพราะแต่ละตัวแต่ละตัวก็สิ้นไปเพราะฉะนั้นรูปภายในก็สิ้นไปในภายในนั่นแหละมันไม่ได้เป็นไปในภายนอกอะไรรูปภายนอกมันก็สิ้นในภายนอกนั่นแหละมันไม่เลยถัดไปหรอก เพรนรูปภายนอกใดก็สิ้นไปในภายนอกนั่นแหละรูปหยาบใดก็สิ้นไปในรูปนั้นนั่นแหละรูปละเอียดใดก็สิ้นไปในรูปนั้นนั่นแหละรูปเลวอย่างใดก็สิ้นไปในรูปเลวนั่นแหละรูปประณีตใดก็สิ้นไปในรูปเหล่านั้นแหละรูปที่ไกลใดก็สิ้นไปในที่ไกลนั่นแหละรูปใกล้ก็สิ้นอยู่ในที่ใกล้นั่นแหละคือทุกอย่างมีแต่เป็นของสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปเนี่ยนะเดี๋ยวเวลานี้เดี๋ยวก็จะสิ้นไปอีกแล้ว ปีใหม่ก็จะสิ้นแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะไอ้ปีเก่านี้ก็จะสิ้นอีกแล้วปีใหม่ก็เข้ามาอีกสิบสองเดือนข้างหน้าบอกปีเก่ า, านะกยยเนี่ยนะก็อยู่อย่างเนี้นะก็สิ้นไปเรื่อยสิ้นไปเรื่อยสิ้นไปเรื่อยตอนแรกก็มาใหม่ตอนหลังก็เป็นเก่าไปเดี๋ยวก็สิ้นไปเสื่อมไปเรื่อยนะเออในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของปัญญาไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของสัมาธิฏฐิ เป็นอารมณ์ของบุญเป็นอารมณ์ของกุศลก็เลยไ ม, ไม่ได้เจริญปัญญาเพื่อจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้อ น, นท่านให้คิดหยาบมากเลยนะท่านไม่ได้ให้จี้ลงไปเหมือนปลายเข็มจดลงไปสักแห่งหนึ่งใช่ไหเอออันนี้จังอย่างเงี้ยนะท่านให้คิดอย่างนั้นละเอียดทีละเอียดอย่างนั้นทีเดียวเลยหรือไม่ไม่ใช่ให้คิดแบบหยาบๆยาบก่อนก็ชัดเจนนะว่าเออเราเนี่ยรรคของเราทั้งหลายนะในอดีตชาติมันก็หมดไปแล้วอดีต รูปอนาคต Weekly. มันก็จักหมดไปในอนาคตรูปชาตินี้นะมันไม่เลยไปหาชาติหน้ารอรูปภายในก็สิ้นอยู่ภายในนั่นแหละไม่ถึงภายนอกรูปภายนอกก็สิ้นอยู่ภายนอกนั่นแหละไม่ถึงรูปหยาบรูปหยาบก็สิ้นนั่นแหละไม่ถึงรูปละเอียดรูปละเอียดก็สิ้นอยู่นั่นแหละไม่ถึงรูปเลวรูปเลวก็สิ้นอยู่นั่นแหละไม่ถึงรูปประณีตรูปประณีตรูปปรนอยู่นั่นแหละไม่ถึงรูปไกลรูปไกลก็อยู่นั่นสิ้นอยู่นั่นแหละไม่ถึงรูปไกลเพราะทุกอย่างก็มีแต่ความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไป แต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าสิ้นแบบอะไรนะเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอย่างงี้ไหมปัจจัยต้องแม่นนะปัจจัยต้องแม่นในสิ่งที่สิ้นไปเนี่ยคื อ, อเมื่อปัจจัยสร้างเขาขึ้นสิ่งนั้นก็สิ้นไปแต่ขณะเดียวกันสิ่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยอย่างคิดง่ายๆว่าตาในชาตินี้ก็สิ้นไปในชาตินี้นั่นแหละไม่ถึงชาติหน้า กรรมสักตาต้องให้ดีหน่อยว่าโอ้แล้วกรรมที่ใช้สายตาสอดสายดูรูปทั้งหลายเนี่ยไปทิ้งไว้ไหนก็เพราะทำกรรมไม่เยอะแยะไปหมดนั้นการกำหนดปัจจัยนั้นจึงสําคัญถ้ากําหนดปัจจัยเอาไว้ไม่แม่นยำละ่ะถ้าพิจารณาปัจจัยเอาไว้ไม่ดีจะเป็นอะไรนั้นการความรู้เรื่องปัจจัยนั้นจึงสําคัญมากถ้ากําหนดปัจจัยไม่ดีเป็นอุดเฉทททิฐิแล้วก็การกําหนดปัจจัยก็ไม่ใช่มองเออเรียกว่ามองเห็นอะไรสิ่งนั้นบุ้มหมดเลย ไม่ใช่ไม่ใช่แบบภาพยนตร์ใช่ไหมภาพยนตร์นี้ถ้าผู้ร้ายก็มองดูอะไรนะมองบ้านบ้านระเบิดมองรถรถระเบิดมองเห็นอะไรก็ระเบิดไปหมดเลยนะอย่างนั้นไหมเรียกว่าเห็นสิ้นไปไม่ใช่นั้นใครดูหนังมากมก็เกือบบรรลุเลยแหละนะระเบิดเต็มจอไปหมดเลยนะจึงไม่ใช่เนี่ยนะเพราะเป็นการเริ่มคิดแบบใหญ่ใหญก่อนว่าเดี๋ยวละเอียดเียจะค่อยกล่าวต่อไปอีกครั้งแต่คิดแบบหยาบหยาบก่อนนะว่าสิ่งเหล่านั้นก็หมดในที่นั้นนั่นแหละ สิ่งเหล่านี้ก็หมดณนะที่นี้และชาติต่อไปก็สิ้นนะพบต่อต่อไปนั่นแหละก็เป็นอย่างนี้การพิจารณาทั้งปวงนี้ชื่อว่าเป็นสัมมสนาอันหนึ่งโดยเกี่ยวกับอาการที่พิจารณาเป็นของไม่เที่ยงเพราะอัตถาวสิ้นไปแต่จัดว่ามีถึงออย่างโดยการจำแนกตามโอกาสสิบอ็นั้นเป็นการพิจารณา11วิธีแล้วนะได้สัมมสนา1ิออย่างลว 11อย่างนะทวนนะอะไรบ้างหนึ่งอดีตสองอนาคตสามปัจจุบันสี่ภายในห้าภายนอกหกหยาบเจ็ด 7. ละเอียดแปดเลวเก้าประณีตสิบไกลสิบเอ็ดใกล้แต่ละอย่างก็สินส้นไปนะสิ้นไปนี่โดยนี้ตรงนี้เน้นไปที่อัธาก่อนคือเน้นที่ระดับพูดง่ายๆว่าระดับชาติระดับชาติชาติพิทุกขานะไม่ใช่ระดับประเทศนะระดับชาติคือชาติที่เป็นอดีตชาติอน า, าคตและก็ชาติ ปัจจุบันอันนี้คือความเป็นอ น, นิจจังนัมัสการถามพระอาจารย์ค่ะคื อ, อที่เราได้เรียนปฏิสัมพิธามากมาท่านจะเอาธรรมะสองร้อยหนึ่งมาหมุนโดยนัยะต่างๆถ้าหมุนแบบอนุปัสนาจอันนั้นมันก็น่าจะเป็นอันเดียวกับส ม, มัสนายานที่เราเรียนทีนี้ก็เลยสงสัยว่า ถ้ากรณีที่พิจารณาเป็นโอกาสสิบเอ็ดนี้รูปต่างๆนี้ท่านจะเอาธรรมะสองร้อยหนึ่งมามาหมุนพิจารณาในโอกาสสิบเอ็ดนี้หรือเปล่าคะเขามายัางไม่ค่อยเข้าใจว่าโยงให้มันเป็นยังไงอย่า ง, อ ย, างอย่างเช่นว่า รูปในอนาคตสิ้นไปในอนาคตหรือว่ารูปในอดีตสิ้นเปในอดีตนี้เราจะเอาธรร ม, ส201มะสองรอหนึ่งมาหมุนว่า อ, อย่างแต่ละอันอย่างรูปอย่างอะไรผมในอดีตสิ้นไปในอดีตนี่หรือว่าเหมือนอย่างที่ว่าอะไรจักขคุในอดีตสิ้นไปแล้วในอดีตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะแบบหมุนไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั้นหรือเปล่าได้ทั้งอโอกาสสิบเอดเลยหรื อ, อยังไงคะไอ้คาว่าสิบอเนี่ยนะ ถ้าดูตามวิสุทธิมรรคดูตามปฏิสัมพิธามรรคแล้วสิบเอ็ดนี้ใช้เฉพาะกับขันอ่าใช้เฉพาะกับขันห้าส่วนอันสองร้อยหนึ่งเอาออกห้าหรือเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบหกนี่ยร้อยเก้าสิบหกแค่คูณสามคืออดีตอนาคตกับปัจจุบันแต่ถ้าขันห้าคูณสิบเอ็ดขอถามพระอาจารย์มาแล้ว พิจารณาขันห้าในใกล้กับใกล้อย่างไงคะใกล้ก็คื อ, อเขาบอกว่าเช่นพูดถึงง่ายๆว่าใกล้นี่มีอยู่สองอย่างคือใกล้แบบแบบใกล้ใกล้แบบโอลาริกรูปเรียกว่ารูปใกล้สุขุมมารูปเรียกว่ารูปไกลเพราะฉะนั้นโอลาริกรูปคือรูปใกล้เนี่ยนะคืออายตนะภายในห้าใช่ไหมอายตนะภายนอก 5แต่ว่าปฐวีนี้แบ่งออกเป็นเป็นสนะแล้วก็มีอะไรรูปอีภาวะรูปใช่พวกนี้เป็นโอลาริกรูปรูปหยาบพวกรูปหยาบทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกพิจารณาว่ามันก็สิ้นอยู่ในรูปหยาบนั่นแหละมันไม่ถึงไปถึงสุขุมมรูปนี่ในหนึ่งรูปใกล้ไกลอีกในหนึ่งคือไกลแบบโอกาสหมายความว่าไอ้ที่ใกล้ๆเราก็สิ้นอยู่ในที่ใกล้ๆเราไอ้ที่อยู่ไกลถึงอเมริกาเป็นต้นก็ไปสิ้นอยู่ที่ อเมริกาหรือที่จักรวาลอื่นก็ไปสิ้นอยู่ที่จักรวาลอื่นนั่นแหละไม่ถึงจักรวาล น, นี้อะไร ล, ลักษณะลักษณะใกล้กับไกลขอโทษครับถ้าอย่างเช่นชาติชาติไกลกับใกล้ชาตินายพิจารณาชาติอะคะที่กิ้นี่อาจารย์บอกว่าคือให้พิจารณาชาติชาติอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใก ล, ใกล้ ก็ก็เมื่อกี้บอกคุณการตาไปแล้วว่าคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลใช้กับคำว่าขันห้าส่วนที่เหลือจากนั้นใช้กับคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเท่านั้นนแต่แต่แต่แ ต, แ ต, แต่มีข้อแมก ตามที่คัมภีร์หนึ่งชื่อว่าวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเอา201ร้นะึคูณสิเอ็ดตามวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะซึ่งแต่งสมัยปลา ย, ลายรัชกาลที่1ท่านก็มีพิจารณาเนี่ยคูณ11แต่ท่านก็ไม่ได้อธิบายอะไรแต่บอกว่าโดยหลักการให้แต่ตัวเลขมาโอ้เป็นพันๆเลยว่าคือพิจารณาแบบนั้นก็ได้แล้วก็ผู้เรียบเรียงนี่แตกฉานพระไตรปิฎกอัตถะฐานดีกามมาก แต่ว่าอันนี้เราบรรยายคัมภีร์วิสุทธิทมรรคอยู่นะไม่ได้บรรยายวรรณกรรมรัตนโกสินเพราะฉะนั้นก็พยายามพูดตามนี้แหละถึงไหนกันนี้เมื่อกี้นี้เป็น อันนี้จังเลยนะส้นไปอดีตก็สิ้นแล้วนอดีตสรุปนะทวนว่าอดีตสิ้นแล้วในอดีตอนาคตจกสิ้นในอนาคตปัจจุบันก็สิ้นอยู่ปัจจุบันนี่แหละภายนอกก็สิ้นภายนอกนั่นแหละภายในก็สิ้นอยู่ภายในนี่แหละรูปหยาบก็สิ้นอยู่ที่หยาบนั่นแหละละเอียดก็สิ้นไปที่ละเอียดนั่นแหละมันไม่มีการเลยไปอีกว่าไงเดอะมันก็สิ้นนะพบนั้นๆชาตินั้นนั้นั่นแหละเอาทีนี้ว่ารูปนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงอะไรเมันสิ้นไปแล้วใช่ไหม ร่วอดีตสิ้นไปแล้วอนาคตจกสิ้นปัจจุบันกําลังสิ้นอยู่อะไรมันเป็นทุกข์ยังไงทุกข์หรือไม่ทุกข์กันนะไอ้ไม่เที่ยงชาติที่แล้วถ้าไม่ไม่เที่ยงในนรกก็จะว่าไงเกิดตกนรกไปก็ไม่เที่ยงแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วแค่สามหมื่นปีเองอันนี้ทําใจไม่ได้เลยนะนะเขาบอกว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะแกตกกะทะทองแดงตกกะทะทองแดงเนี่ย ก็ไปถึงว่าต้มลงไปอะไรอย่างงี้ยปฏิสนธิตรงนั้นปัม๊มขึ้นมาแล้วค่อยๆดิ่งลึกไปนะคล้ายๆกับมันดูเรียกว่าพื้นล่างมันค่อยๆดูดลงไปดูดไปถึงก้นกระทะเนี่ยสามหมื่นปีเองแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นอีกสามหมื่นปีแล้วก็ผลอันนี้ด้วยผลบุญที่ที่ที่พระเจ้าชาติศัตรูนี่ทำอะไรบ้างถึงสารณคมฟังธรรมถึงสารณคมแล้วก็ เจริญกุศลอย่างอื่นอีกมากแต่ว่าตัวใหญ่หลักๆของพระเจ้าชาตศัตรูคือสังขยาภาพสังขยาานะแล้วก็บูชาพระธาตุเปีนะเป็นคนที่โห่นักทําบุญมหามหายิ่งใหญ่มากเลยพระเจ้าชาติศัตรูแล้วก็ยังฝังทรัพย์ไว้ให้พระเจ้าพระเจ้าอาโศกใช้บ้างนะก็ทําบุญหลายเรื่องหลายมากเลยนะสมัยนั้นนะแล้วก็สร้างเจดีย์สร้างอะไรยเยอะๆไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ตกนรกแค่ 60,000 ปีเอง เพราะฉะนั้นเออถามว่าเดี๋ยวก็อีกไม่นานอีกหกหมืนปีก็หมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้ถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หกหมืนปีเนี่ยนะก็บอกเป็นทุกข์เนี่ยนะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะไอ้รูปในอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตละ่ะแต่ว่าสิ้นแค่ไหนอะคิดดู่หลังน้ําตา ม, มากกว่าน้ําทะเลไงนนะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะไอ้ที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนะน้ำตา ม, มากขนาดนั้นอนะ่ะมันจะทุกข์ขนาดไหนทีนี้วัดตะอันยาวต่อไปเนี่ยนะ เราก็ต้องไปรับภาระอะไรก็ไม่รู้เพราะจะต้องไปหลังน้ําตาอีกเป็นทะเลทะเลอีกนะมันจะต้องทุกข์อีกขนาดไหนทุกข์คือทั้งทุกข์กับทุกข์นะนะเน้นที่ทุกข์ทุกก่อนละแล้วในปัจจุบันนี่ละ่ะสบายแค่ไหนะชีวิตชาตินี้นะหลายท่านมีบุญเก่ามากอนะก็เลยสบายนะสบายกายนะแต่ใจละแต่ขนาดนั้นก็ยังป่วยกันบ่อยเลยเนาะเี๋ยก็ป่วยโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี่โอ้ยวุ่นวายไปหมดเลยเพรันรูปในปัจจุบันก็ชื่อว่า เป็นทุกเพราะอะไรเพราะอาจว่าเป็นภัยคือรูปในอดีตก็น่ากลัวแบบในอดีตอ่ะนะอนาคตก็น่ากลัวแบบอนาคตปัจจุบันนี้ก็ชื่อว่าน่ากลัวแบบปัจจุบันเพราะคําว่าภัยแปลว่าน่ากลัวมันน่ากลัวยังไงน่ากลัวว่าอดีตชาติที่แล้วนะก็เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งโฉกาปริเทวะทุกโทมาัตและอุปายาชา ต, ติต่อไปล่ะถ้าเกิดอีกก็เกิดแก่เจ็บตาย ชาตินั้นก็โสกกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาชาติปัจจุบันนี้แหะน น, นเกิดมาแล้วแก่อยู่ทุกวันอยู่แล้วนี่ก็เนี่ยตัวเลขก็พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยนะเปลี่ยนอายุไขซึ่งอายุมากขึ้นหลักสี่หลักหาไปแล้วไม่ค่อยบอกอายุใครแล้วนะไม่ค่อยอยากเล่าให้ใครฟังเลยนะพีเอสไปที่ไหนไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยนะเป็นเขาบอกว่าเป็นคําที่แสดงใจมากเลยนะบอกตัวเลขเนะี่ย ให้ข้าเดาเดาสิถ้าเข้าเดาหลอกนะอูย้ยิมย้มแย้มแจ่มใสอนนึกว่ายี่สิบามนี่นะดีใจมากเลยนะที่ไหนได้แต่ถ้าใครบอกอูยนึกว่าหกสิบไปแล้วเนี่ยบอกอูย้าายทาไมตาไม่ถึงเลยนะอย่างเงี้ยนะผมมานี้จําได้นะสามเนรรูปหนึ่งมาถึงอมีพระรูปนึ่งนะเน้นเดาูที่ว่าพระรูปนี้อายุเท่าไหร่ก็บอกว่าสี่สิบกว่าก็้อเขาบอกไม่ถึงเดาบอกสี่สิบ น่าอีกสามสิบเก้าเมื่อาแก่อะไรขนาดนั้นนะทำไมเนเนเนี่ยทำไมโอ้ยใส่แว่นหนักเผลอเลยไม่น่าเรานี่แก่ขนาดนั้นเลยนะบอกว่ารออีกสิบปีอายุอาจจะถึงเท่าที่เนเนว่าก็ได้บางทีเคยไปเดินกับพระเระ บ, บางรูปเนี่ยนะเขาบอกว่านึกว่าอายุเท่ากันห่างกันสิบกว่าปี ูไม่ไหว<笑><笑>ก็พวกนี้ก็แล้วแต่ใครนะว่าเนี่ยอายุมันก็อย่างนี้แหละมันก็สิ้นไปอย่างนี้แหละมันถามว่าชีวิตในชาตินี้เนี่ยนะเกิดแก่แล้วป่วยก็บ่อยบ่อยเนี่ยนะป่วยเป็นเขาบอกว่าโรคเพราะา่าทธวเสียดแทงทุกคนมีโรคประจําตัวอยู่แล้วใช่ไหมนะเช่นโรคคิวโรคปวดเมื่อยโรค ข้าห้องน้ำเนี่ยนะข้าวห้องน้ำก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันก็มีโรคกันทุกคนอยู่แล้วแล้วก็โรคอย่างอื่นอีกละ่ะนะโรคปลีกย่อยที่ต้องลำบากหม อ, อเดือดร้อนคนอื่นช่วยดูแลเนี่ยนะเช่นโรคคอนี่ก็เดือดร้อนหมอตั้งหลายเจ้าแล้วเดือดร้อนยาตั้งหลายแห่งแล้วมนะันก็อย่างนี้แหละแล้วโรคอย่างอื่นอีกละ่ะอันนี้โรคกายก่อนนะแล้วโรคใจอ่ะโสกะบ่อยไหม บ่นบ่อยไหมปริเทวะนะทุกข์กายบ่อยไหมเสียใจบ่อยไหมคับแค้นใจบ่อยไหมอันนั่นแหละคือโรคทางใจเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นนี่มันน่ากลัวน่ากลัวเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายแล้วก็ชีวิตจากเกิดไปหาตายนี่ก็แส้จะเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะก็คิดดูนะว่าอย่างที่กล่าวว่าโยมเนี่ยหนึ่งแบกน้ําหนักเนี่ยนะวันหนึ่งก็ประมาณห60กิโลใช่ไหมบางคนก็40กิโลแต่ว่าประมาณเนี่ย ยำอ้วนเนี่ยร่วมสีิบใช่ไหมหน้เบาที่สุดอันนี้ก็เบาที่สุดก็ร่วมสี่สิบนะนั้นสาิบก็สามสิแปดร่วมสี่สิบทีนี้สี่สิบถ้าคูณวันเข้าไปล่ะคูณปีเข้าไปนี่แบกน้ําหนักเท่าไหร่อันนี้คนที่มากก่านั้นอ่ะคนที่มีน้ําหนักแปดสิบอย่างเงี้ยนะเก้าสิบหรือร้อยกิโลเนี่ยแบกวันละร้อยกิโลวันละร้อยกิโลแบกอยู่ยี่สิปีหรือแบกอยู่หกเจ็ดแปดสิบเก้าสิบปีเนี่ยนะมันจะหนักขนาดไหนคิดดูนะสรุปว่าแบกมันกี่ตันนะคนนี้ โอแบบเป็นตันเลยนะเพราะแบกอยู่นะสมมุติถ้ามีน้ําหนักห้าสิบกิโลนะสมมตินะเอาเบาหน่อยนะก็เท่ากับแบกปูนวันละลูกทีนี้ถ้ายี่สิบลูกก็ตันหนึ่งยี่สิบลูกก็ตันหนึ่งก็สรุปว่ายี่สิวันนี้ต้องแบกน้ำหนักตัวเองตันหนึ่งนะแล้วก็แบกนะบวกเสื้อผ้าบวกเครื่องประดับบวกข้าวของเครื่องใช้แบกสารพัดเนี่ยรวมรวมก็แบกแบกวันละร้อยกิโลแล้วกันถ้าคนงานแบบธรรมดาหน่อย ถ้าเป็นพวกแบกปูนนั้นหนักขน่านั้นอีกนั้นสรุปว่าแต่ละคนเฉลี่ยแล้วแบกวันละร้อยกิโลหยิบโน่นจับนี่คว้านั่นเนี่ยนะก็แบกวันละร้อยกิโลรอยกิโลร้อยกิโลแบกอยู่อย่างนี้เนี่ยนะปีหนึ่งเท่าไหร่ก็สามหมื่นกว่ากิโลเอ้เท่าไหร่นะสามื่นหกพันหร้ 36, 500, อยก็หลายสิบตันนะใช่ไหมแล้วแบกอยู่หลายหลายสิบปีเนะี่ยกี่ตันเข้าไปโอ้โหแล้วถ้ากองมารวมกันก้อนเดียวเลยจะหนักขนาดไหน อันนี้แบกนี่ก่อนนะทุกมากเลยนะแล้วก็อันนี้แบกกองทุกเหล่านี้แล้วขึ้นขนาดนั้นนะชีวิตนี้ก็น้อยทุกกว่ามากขนาดนั้นยังแบกใจที่มันหนักๆอีกนะเคยหนักใจไหมใครไม่เคยหนักใจบ้างทําบุญอะไรามาเนาะใจจึงเบาขนาดนั้นแต่ว่าโดยมากไม่ใช่นี่สิบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็มาคิดจนหนักใจไปหมดเลยนะนอนก็ไม่เคยหลับเครียดก็เครียดอย่างเงี้ย น, นะคิดซะจนป่วยจะป่วยให้ได้เลย อันนี้คือความน่ากลัวของชีวิตเนี่ยนะก็เคยทํางานหน้าโม่เนี่ยนะโอ๊ยยกปูนเข้าโม่อะยกปูนยกอิดยกหินยกทรายเข้าโม่เนี่ยโอ้ทั้งวันเนี่ยนะก็แสดงว่าไม่เบาเหมือนกันนะนะนะแบกน้ำหนักเท่าไหร่นะวันหนึ่งนะงนะนั้นบางคนเนี่ยนะบอกว่าต้องแบกน้ําหนักทุกวันทุกวันทุกวันอแบกหมายความว่าของ ตัวเองนี่ก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องไปแบกของหนักของหนักของหนักของหนักเพราะมีเหยื่อลอดเล็กๆน้อยๆก็เลยนึกว่านึกว่าพอทําได้นึกว่าพอทนได้แต่นั่นคือความที่ไม่มีปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของน่ากลัวคือไม่รู้ความน่ากลัวของสิ่งเหล่านี้ก็เลยทนอยู่ได้จําทนเนี่ยนะไม่รู้สักอย่างเดียวก็เลยนึกว่านี้ดีที่สุดแล้วนี่ดีที่สุดแล้วเพราะเขาไม่รู้ทำที่สงบจากกองทุกเหล่านี้ ก็เลยมองแบกความทุกข์เป็นความสุขไปแล้วมีมีอาจารย์มหาลัยคนหนึ่งตอนนี้ตายไปแล้วเขาเนี่ยเป็นมะเร็งที่ตับเป็นมะเร็งที่ตับแล้วมันปวดมากปวดจนทุรนทุรายในที่สุดก็ต้องนอนกอดอกตัวเองเนี่ยนอนอกอดหมอนให้มันแน่นให้มั น, มนเขาบอกว่าวันหลังเขามาบอกแม่เขาบอกแม่ครับผมมีความสุขกับความเจ็บปวดไปแล้วเขวาว่ากันมีความสุขมากกับความเจ็บปวดเขางั้นแม่เขาก็ห่วง บอกว่าท่านอาจารย์ช่วยสงฆอลูกโยมหน่อยแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความสุขกับความเจ็บปวดเนี่ย น, นะแม่นี่หนักใจกับลูกมากเลยนะลูกเสร็จแล้วก็ช่วงหลังมาได้ข่าวว่าตายไปเรียบร้อยแล้วเผาเสร็จแล้วนั่นก็เกิดมาอย่างงี้ก็ต้องมาแบกทุกทนทุกอยู่ยางไงนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยทุกขนาดไหนนะถ้าเก็บข้อมูลของความทุกข์ยากของคนในโลกเนี่ยนะถามดูเถอะเนี่ยนะรวยกันทุกคน รวยความทุกข์นะไม่มีใครจนความทุกข์เลยนะร่ารวยมหาฐานกันมหาเตถีกันทั้งนั้นนะนะความทุกข์นะรวยชาติทุกชราทุกพญาทิทุกมรณะทุกรวยความเจ็บความป่วยรวยความลําบากกายรวยความลําบากใจรวยความคับแค้นใจเนี่ยนะคือมันเยอะนะคำว่ารวยก็คือมันมากอ่ะนะปริมาณเนี่ยมากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เขานั่งอยู่เฉยๆนะโดยมากจะน่าเศร้ากัน โดยมากแท้จริงแล้วจะหน่าเศร้ากําลังสมมติว่าแบบอะไรนะน้าเราใช้ชีวิตทั้งวันเลยนะโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแล้วไม่มีกรรมฐานอยู่ในใจเนี่ยนะโดยมากชีวิตอยู่กับความเศร้าอยู่กับความเครียดอยู่กับความหนักอกหนักใจสังเกตดูคนยืนคอยรถดูเลยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกคี้คักขี้คักไม่ใช่ชะเง้อดูอีกทีนึกว่าคันนั้นชะง้นอ น, น, น, นึกว่าคันนั้นนึกว่าใช่ที่ไหนได้ไม่ใช่อีกนะ ก็เลยอยู่กับความทุกข์กับความยากแต่เขาวิปลาสไปนั่นคือความสุขเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนเขาเข้าใจผิดพอเขาเข้าใจผิดก็เลยคิดว่าสิ่งนั้นคือความสุขเพราะเขาไม่เข้าใจอะไรเนี่ยนะมันสิ่งเหล่านี้เป็นภัยนะสรุปว่าภัยของความเกิดอดีตชาติก็มีภัยคือชาติชรามรณาโศกปริเทวทุกโทมานตและอุปาญาถ้าเราจะเกิดในภพใหม่เกิดในภพต่อไป สิ่งที่เหมือนกันก็คือชาติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตชาตินี้ก็ยังมีชาตินี้นะก็ชรามรณาโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะมีโยมคนหนึ่งบอกไม่มีใครรู้หรอกว่าเรานี่มีความทุกข์อะไรเพราะเวลาเราเข้าสังคมเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะขี้คักแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็นอนทุกข์ภายในเนี่ยนะ ก็บอกว่าคนที่หัวเราะเก่งๆยิ้มมากๆอย่าคิดนะว่าเขามีความสุขเท่าไรเนี่ยนะก็เหมือนกับตลกทั้งหลายเนี่ยนะมันหน้าเวทีนี่มันตลกตลกนะนะว่าจริงๆ ไ, ไปดูชีวิตเขาเศร้าเศ้าเนี่ยนะชีวิตที่เต็มไปได้วยความเศร้า น, นะบางทีไอ้คนที่หน้าเฉยๆนั้นดีไม่ดีคนนั้นมีความสุขมากเลยเพราะไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอก น, นะบางทีภายดูจากภายในภายนอกบางทีดูยากพอสมควรแต่ว่าโดยสรุปก็คือทุกข์เหมือนกันอันนี้คือความน่ากลัวของ วัตะทั้งหลายถ้าใครลงรายละเอียดนะไปศึกษาชีวิตแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไปเกี่ยวข้องเลยนะคนทั้งระดับไม่มีจะกินจนถึงเหลือกินเนี่ยเหมือนกันหมดคือความทุกข์เห็นไหมเพราะเนี่ยคือความน่ากลัวของการเกิดขึ้นชื่อว่าการเกิดก็เป็นทุกข์อยู่ไม่มีจบมีสิน้นอะนะทุกอย่างเนี่ยจะต้องสิ้นไปแต่อก่อนที่จะสิ้นเนี่ยมันทุกข์มหันเลี่ยนะ เสร็จแล้วถามว่ามีใครมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้บ้างมีสาระอะไรบ้างในสิ่งนั้นมาดูคาําอธิบายเกี่ยวกับทุกข์อย่างหนึ่งว่าคําว่าเพราะอัตถาว่าเป็นภัยได้แก่เพราะมีความน่ากลัวจริงอยู่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมย่อมมีอันนำมาซึ่งความน่ากลัวเช่นบางคนที่เขาบอกว่าเขากลัวจริงๆ ก, กลัวความแก่เขาบอกงั้นบางคนกลัวป่วยมาก บางคนก็กลัวตายมากเนี่ยนะแต่สรุปว่าเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงจึงน่ากลัวสมมุติถ้าอย่างชีวิตคล้ายๆกับแบบนี้อมตะตลอดการอยู่อย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่อย่างนั้นก็บางคนก็บอกมันน่ากลัวอีกอยู่ดีแต่ว่าว่าโดยรวมนึกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะมันจึงน่ากลัวไปเรื่อยๆเรืยๆรื่อย อย่างชีวิตของคนที่เดินมาทางครึ่งทางแล้วนะมันน่ากลัวไปเรื่อยๆมันจะไม่มีหน้าดีใจกว่า น, นี้อีกแล้วอย่างสุขภาพเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่าปีนี้นะเป็นปีที่เราวันเนี้ยคือวันที่หนุ่มสาวกว่าปีหน้าอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าสวยที่สุดหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะไม่สวยเท่าวันนี้อีกแล้วราคานี่จะลดลงหมดแล้วละแบบแบบอะไรนะั่นในชาดกนะคําชาด ก, กเรื่องหนึ่นอะไร ที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ระลึกถึงอดีตภริยาเก่าพระเทวีเก่าเนี่ยนะก็เลยจะไปเยี่ยมจะไปสอนธรรมะให้ว่าพระราชาเนี่ยเป็นพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมใช่หพอตั้งอยู่ในธรรมก็ตายแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี้ก็สมัยนั้นเนี่ยคนอายุเป็นหมื่นปีก็เลยมีวันหนึ่งก็เลยกลับมาเยี่ยมมเหสีก็เอาถาดทองเต็มไปด้วยทองมาขอ ก็มาถึงมาขอบอกโอ้ยฉันไม่เอาหรอกฉันรักเดียวใจเดียวกับพระราชาที่ตายไปแล้วว่างั้นกลับไปซะเถอะนะพระเทวดาก็กลับไปวันหลังมาใหม่เอาถาดเงินใส่ทองมาเต้มถาดไปหมดเลยก็บอกว่าไม่เอารักเดียวใจเดียวไม่เอาก็พระราชาก็เออพระเทวดาก็เอาถาดทองหายไปก็เอาถาดเงินใส่ทองหายไปวันหลังเอาถาดเงินใส่เงินม า, ามนะก็บอกก็กลับไปไล่กลับไปอีกวันหลังอีกเอาถาดทองแดงใสเหรียญเงินมาเนี่นะ ก็ลดไปอีกวันสุดท้ายก็เอาถาด ท, ทองแดงใส่เหรียญทองแดงมาคนนี้ก็บอกว่าอา้าวเขาพี่เขานักค้าข า, ขายส่วนทั่วท่วไปเขามีแต่จะไปเพิ่มราคาให้สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นใช่ไหมก็บอกเพิ่มให้เธอไม่ได้หรอกวันก่อนเธอสาวกว่าวันนี้วันก่อนนะเธอก็สาวกว่าวันหลังความสาวมันก็ลดไปถึงทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนเนี่ยนะวันหลงังต้อใส่เอาเหรียญเหล็กมาวันหลังเอาก้อนดินมาเลยนะมีค่าเท่าดินถาดนี้แหละวันนั้น แล้วก็ความราคามันก็ลดลงไปในที่สุดนะลดแม้กระทั่งเอาไม่ได้เลยอนะก็ในที่สุดเนี่ยนะใครเก็บกระดูกไว้ที่บ้านบ้างนะคนที่พอใจที่สุดเอาไปที่ไหนก็พกกระดูกของของคนที่เราชอบไปด้วยเอาไหมน้าชินไม่เอาก่อนพวกเลย <laughs> ยกบายๆก่อนนะนะ <laughs> คือแม้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะมันก็ชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้แหละ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเนี่ยมันนำมาซึ่งความน่ากลัวเนี่นะความน่ากลัวเหมือนอย่างที่นำความน่ากลัวมาให้แก่พวกเทวดาทั้งหลายเพราะได้ฟังสีโหปะมะสูตเฉะนนั้นคือเทวดาบางพวกเขานึกว่าชีวิตของเขาอมะตะใช่ไหมพอฟังพระพุทธเจ้ า, าบอกว่าภพทั้งหลายไม่เที่ยงเขาสะดุ้งเลยนะนะสะดุ้งเพราะได้ยินถึงคาว่าไม่เที่ยงที่ไหนได้เรานึกว่ามัน มั่นคงเนี่ยนะนึกว่ามันมั่นคงอ่ะนะเหมือนกับว่าใครไปสร้างบ้านริมแม่น้ําเสร็จก็ดีใจเออดีนะบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้น้ําเราก็ตักตักน้ําได้ใช้สบายวันหลังมีคนมาบอกว่าแถวนี้เนี่ยปกติน้ําท่วมยีน้ําท่ว 20, <c oughs> มยี่สิบเมตรสาสิบเมตรเนี่ยนะฟังแล้วเป็นยังไงนะแล้วก็น้ําป่าไหลมาจากภูเขาเนี่ยนะเจ้าของเนี่นั่งฟังอตัวสั่งเนี่ยนะนึกว่าที่ไหนได้นึกว่าดีก็อย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละ เพราะว่าคำว่าเป็นทุกข์เพราะอธรถาว่าเป็นภัยนึกว่ามั่นคงนึกว่ามั่นคงที่ไหนได้เพราะฉะนั้นเป็นทุกข์นี้จัดเป็น11อย่างโดยการจำแนกอย่างนี้และจำแนกอดีตก็คือทุกข์ในอดีตทุกข์ในอนาคตเนีย่ยนะความน่ากลัวในอดีตความน่ากลัวในอนาคตความน่ากลัวในพบปัจจุบนันความน่ากลัวของภายในความน่ากลัวของ ภายนอกความน่ากลัวชนิดหยาบชนิดละเอียดชนิดเลวชนิดประนีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ไกลทั้งหมดน่ากลัวเมือนกันหมดเพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงไอความน่ากลัวนั้นสรุปอะไรเพราะสิ่งนั้นเป็นไปกับชาติชรามรณะโสกกาปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสิิงเหล่านั้นจึงน่ากลัว อนหนึ่งรูปนั้นแม้ทั้งหมดชื่อว่าเป็นทุกข์ฉันใดก็ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอัตถะว่าอาสารกเินะหาสาระมิได้ฉันนั้นน่ากลัวด้วยแล้วไม่มีแก่นสารอะไรเลยอยู่ด้วยเนี่ยนะเคยได้ยินเข้าว่าไหมน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีน้ําดื่มอันนั้นน้ำท่วมแต่ไม่มีน้ําจะดื่มเนี่ยนะเพราะมันมีแต่น้ําที่มันดื่มไม่ได้อะนะสกระปรก แล้วก็บางทีก็มีซากอะไรลอยขึ้นมาอุจาระปัสสาวะลอยผ่านแล้วผ่านเล่าเนี่ยนะน้ําท่วมบ้านท่วมเรือนไปหมดแต่ไม่มีน้ําดื่มอละ น, นี้นี่ก็ฉันนั้นคือมันไม่มีสาระอะไรเลยความน่ากลัวมากมายขนาดนั้นก็ไม่สามารถยังประโยชน์อะไรให้สําเร็จเลยเพราะอัตถาว่าหาสาระไม่ได้ได้แก่เพราะไม่มีอัตตะสาระที่ชนผ่านผู้เป็นอัตตวาทีคิดว่ามีอัตตาเนี่ยนะ ข้าคิดการอย่างนี้ว่ารูปนี้มีอัตตาครองเป็นผู้สร้างเป็นผู้สเสวยเป็นผู้มีอำนาจในตนเองมีอยู่ดังนี้เป็นความจริงว่ารูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นย่อมเป็นทุกข์ใครๆย่อมไม่อาจห้ามความไม่เที่ยงหรือความบีบคั้นเพราะความเกิดขึ้นและดับไปแม้ตัวของมันเองได้รูปนั้นจะหาความเป็นผู้สร้างเป็นต้นไดมาจากที่ไหนกันเล่านะ เพราะว่ารูปในอดีตก็ไม่มีสาระคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกสิ้นเสื่อมไปในอดีตไม่มีใครมีอานาจอะไรจริงรูปในอนาคตก็สิ้นไปในอนาคตมันน่ากลัวแบบในอนาคตและไม่มีใครมีอานาจควบคุมมันจริงอย่างชีวิตของเราทั้งหลายรูปทั้งหลายที่เป็นกันอยู่นี้อนนันไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วหาสาระอะไรจากจากจากรูปเหล่านี้ได้ไหมหาสาระอะไรจากผมบ้างได้ไหม นะเก็บผมอันไหนไว้เป็นสาระที่สุดเล็บฟันหนังเนื้อนะเอาฟันไว้สักชิ้นหนึ่งเอาไว้เลี่ยมทองมันหลุดมาก็ไปไตทองไว้อันนี้คือสาระพ่ามันมีสาระแปลว่าแก่นไม่มีแก่นจริงๆเลยเนี่ยนะแม้แต่นิดเดียวอะไรก็ตามถ้านหลุดออกมาจากตัวสิ่งนั้นปฏิกูลที่สุดเนี่ยนะเพราะนั้นก็เลยมันไม่มีสาระอย่างแท้จริงอะไรรูปเหล่านี้ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยจึงไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรเลย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายถ้าว่ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วสายรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมได้ตามความปรารถนาในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะอันนี้แหละคือความเป็นอนัตตาของ โรคเพราะไม่มีสาระอะไรเลยเนี่ยนะหาแก่นสารหาสาระหาแก่นคือความเที่ยงก็ไม่เจอหาแก่นคือความสุขก็ไม่เจอหาแก่นคือความสะอาดก็ไม่เจอเนี่ยนะล้างพักเดียวเดี๋ยวก็ปฏิกูลอีกล้ล้างแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็ปฏิกูลอีกแล้สังเกตเดี๋ยวก็บ้วนปากล้างปากแปลงฟันอีกภาคหนึ่งก็มีกลิ่นอีกล้อย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละกายนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเมาได้ยังไงก็ไม่ทราบ แม้การพิจารณาอย่างนี้นี้ก็จัดเป็นสัมมสนอันหนึ่งโดยเกี่ยวกับอาการที่พิจารณาว่าเป็นอนัตตาเพราะอถาว่าหาสาระไม่ได้รูปในอดีตก็ไม่มีสาระในอดีตอนาคตก็ไม่มีสาระในอนาคตรูปปัจจุบันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรเลยในปัจจุบันนี้รูปภายในก็ไม่มีสาระในภายในรูปภายนอกล่ะก็ไม่มีสาระเหมือนกันรูปหยาบรูปละเอียดรูปเลวประณีรูปไกลหรือรูปใกล้ก็ไม่มีสาระประดุษเดียวกัน ถามว่าถ้ามีความเข้าใจว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณทศใกล้ไกลทั้งหมดล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถามว่าจิตจะตั้งอยู่ในรูปไหมตั้งเหมือนกันตั้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ตั้งว่าเที่ยงตั้งว่าเป็นทุกข์ไม่ตั้งว่าสุขตั้งว่าเป็นอนัตตาไม่ตั้งอยู่โดยความเป็นสําคัญว่าเป็นอัตตาอันนี้ลักษณะของวิปัสสนาปัญญาก็พยายามที่จะ พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเพื่อออกจากรูปนะรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเพื่อความสุขเแต่ว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะคลายได้ง่ายๆใช่หมนะฟังทำไปหิวไปเนี่ยนะถึงจะฟังเรื่องนี้ก็ขออาหารไว้ก่อนนะนอย่างอื่นนะค่อยมาฟังต่อยไงนะถ้าหิวหิวใช่ อันหนึ่งรูปที่ไม่เที่ยงใดเพราะเหตุที่รูปนั้นยังมีการแตกแยกเป็นสังคตะเป็นต้นได้โดยแน่นอนเพื่อจะแสดงความเป็นไปแห่งมนสิการโดยอาการต่างๆกันท่านพระสารีบรจึงกล่าวไว้ในบาลีปฏิสัมพิธามักไว้ว่ารูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงอันนะอ น, นี้จัง น, นะสสังคตงคือ ถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิดจะสมบพนังอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นขยาธรมมังมีความสิ้นไปวยะธรรมมังมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็วิราคะธรรมมังมีความคลายไปเป็นธรรมดานิโรธธรมมังมีความดับไปเป็นธรรมดาก็อาจจะคิดอย่างนี้ว่ารูปในอดีตไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา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 มีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปภายในก็เหมือนกันนะรูปภายในนี่แหละไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรป ร, ปรวนไปเป็นธรรมดาภายนอกก็ฉันนั้นนี่นะก็พิจารณาอย่างนี้นะสัมมาสนญญาณก็จะค่อยๆบ่มไปเรื่อยๆวันพื้นฐานผู้ที่ทาปริญญาเสร็จแล้วเนี่ย ผู้ที่ทำยาตะปริญญาพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแห่งจุติปฏิสนธิรู้ได้เลยว่านิมิตเหล่านี้นี่แหละขันเหล่านี้เป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิพิจารณาจนสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งจุติและปฏิสนธิต่อไปเพราะการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงดังกล่าวเป็นต้นนั้นแหละเป็นการ พ, ารพิจารณาเพื่อไม่ให้มีจุติและปฏิสนธิจนกว่าจะ หลีกออกจากรูปได้หลีกออกจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้เมื่อหลีกออกได้แล้วเนี่ยจึงจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งจุติและปฏิสนธิอีกต่อไปโดยทั่วๆไปแล้วท่านจะกล่าวพอเป็นตัวอย่างใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างคือรูปเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยมาพิจารณาเวทนาต่อไปคงมาทบทวนถึงเวทนาบ้างนะว่า เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้เวทนาเหล่านั้นไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะอย่างเช่นความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เคยมีในอดีตชาติเหลืออะไรมาถึงชาตินี้บ้างก็สิ้นไปในชาตินั้นนะความสุขที่เคยมีในพบที่แล้วก็หมดแล้วในอดีต ความทุกข์ที่เคยมีในอดีตชาติก็สิ้นเสื่อมไปหมดแล้วในอดีตความเฉยเฉยในอดีตก็หมดไปแล้วในอดีตไม่มีความรู้สึกไม่มีเวทนาใดค้างเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วอนาคตชาติต่อไปที่เราปรารถนาชาติต่อต่อไปก็หวังว่าเราจะพบแต่สุขเวทนาแต่ที่ใดมีสุขเวทนาที่นั่นก็มีทุกขเวทนาเว้นแต่ระดับพรหมโลกขึ้นไป ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วถ้ายังในการมมรรคก็ยังมีความทุกข์อยู่มันก็ปรารถนาแล้วสุขทุกขเหล่านั้นทําแทบตายเพื่อความสุขสแสวงหาเพื่อให้มีความสุขแล้วความสุขเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงก่อนที่จะได้สุขการมาสุขทั้งหลายผู้ที่ไขไขว่คว้ากว่าจะได้โดยมากประสบทุกขเจียนตายนี่นะเกือบตายกันตั้งหลายครั้งนะกว่าจะได้ก็ได้สุขอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ทุกต่อไปอีก อย่างคิดง่ายๆอย่างว่าแม่ครัวทั้งหลายที่จะได้ความอริดอร่อยสักอาหารสักถ้วยหนึ่งเนี่ยนะถ้าคิดถ้าเป็นแม่ครัวโบราณแบบที่เราต้องปลูกผักหักหักฟืนเองเลยนะต้องไปตักน้ำมาจากบอ่อเองมาประกอบมาปรุงกว่าจะเป็นกับข้าวถ้วยหนึ่งอร่อยลิ้นนิดเดียว น, ยนะเสร็จแล้วก็ภาระต่อนั้งกับการเช็ดการล้างตานเก็บการทูแล้วก็เข้าไปในท้องแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันสบายอะไร อิ่มอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวที่เหลือก็ท้องอืดท้องผูกท้องเสียท้องร่วงไล้เข้าไปแล้วก็เดือดร้อนอีกแล้ว่น